พวกปัญญาชนแทบทั้งนั้นพวกชนชั้นนำแทบทั้งนั้นเลยที่มาเป็นกําลังหลักของศาส น, นาพระโมคคัลลาสาริบุตรนี่ก็พวกปัญญาชนนะพวกปริภาโชคเนี่ยพวกปัญญาชนทั้งนั้ น, นพวกปัญญวัคีพวกพราหมณ์พวกปัญญาชนลองไล่ดูพวกสาวกแกลง่ลงรุ่นแรกๆนะคือไม่ใช่ว่าพ่ายแพ้ในทางโลกแล้วสมสารเข้าวัดไม่ใช่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 เห็นเองอยังกุญกบก็เห็นได้หมดทุกตัวที่หลวงพ่อบอกนี่แหละเห็นได้เบอร์สบอ็ดก็เห็นไดนะ้เห็นได้เยอะแยะเนี่ยสามแถวแรกนี่เห็นได้เยอะนะแถวที่สี่ด้วยเดี๋ยวเสียใจ <licence> คุณเสื้อเหลืองก็ได้เด <ratchet> ือนกันเลยเดี๋ยวจะเสียใจทำจริงได้เยอะนะได้หมอรังสรรคก็พอเห็นแล้วแต่หมอรังสรรค์ติดไอ้มิจฉาสมาธิเยอะไปนิดหนะึ่งแข็งเกินไป เบอร์แปห้าก็ใช้ได้แล้วนะอย่าท้อแท้อย่าซึมลงไปรู้สึกขึ้นมารู้สึกไหมสายตาหลวงพ่อกวาดไปทางไหนทังนั้นเริ่มเกรงแล้วเริ่มเกรงเกรงนะคยรู้สึกเนี่ยเบอร์61เกร็งเลยเห็นไหมเราสบตากันปิ้งนะตัวแข็งขึ้นมาคล้ายๆหลวงพ่อเป็นแม่มดเมดูซ่าใครมองตาแล้วตัวแข็งเบอร์68ใจลอยไปแล้ว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 <laughs> มันลอยไม่เลิกเออแม่ชีดีแล้วนะแม่ชีดีใจด้วยน้่นหลานโนานานก็ดีแล้วเก่งใช้ได้แล้วนะเองใช้ได้คนเนี้ยังเพ่งมากไปนิดห น, นึ่งนี่เลยเพ่งองีู่แล้วแต่สังเกตไหมเพ่งไปอย่างนั้นะ่ะเพ่งที่เปลือบเปลือใจสบาย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 กิศรัทธาไปบวชบวชวันหนึ่งอยากฉันข้าวเหนียวตัวดานะฉันไปบินธบัตนะไม่ได้สักทีเลยวันหนึ่งเห็นมีข้าวเหนียวตัวดาเดินไปอา้าวมาหมดที่องค์ข้างหน้าเหล่านี้ได้ อ, อีกน้านเลยเจออีกและดีใจคราวนี้ลงในบาทเลยคนใส่ข้าวเหนียวตัวดำเข้าบาทมาและดีใจนะกลับมาถึงวดัดธรรมดาวัดป่าเนี่ยเทอาหารรวมกัน โอต้องเทเข้าวเหนียวถั่วดำออกไปนะพอถึงเวลายกอย่างที่พวกเราเห็นหลวงพ่อทำอย่างเนี้ยปลาหัวแถวท่านก็หยิบก่อนท่านคงอยากฉันเวมือนกันน่ะใช่ไมโอ้วันนั้นนะขนาดข้าวเหนียวถั่วดำลงบาดแล้วยังไม่ได้ฉันเลยลังคืนร้องไห้เลยนะสงสารตัวเองนะว่าโอ้เราเป็นลูกเศรษฐีนะทาไมข้าวเหนียวตอนนั้นห่อละสามบาททนะาไมอยากฉันเท่านิดไม่ได้ฉัน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 เมื่อกายมันไม่ใช่ตัวเราแล้วใครจะเป็นผู้ทุกข์ใครทุกข์ก็ช่างมันประไรไม่ใช่เราทุกข์ละความทุกข์มันจะเข้ามาไม่ถึงใจละวเพะฉะนั้นภาวนาถึงจุดที่ปล่อยวางความยึดถือจิตเนี่ยโอ้โหอัศาจรรย์นะเหมือนโลกจะถล่มเลยจิตใจเราพลิกไปเหมือนโลกนี้เปลี่ยนแปลงหลักใจนั้นไม่มีเหมือนเดิมอีกแล้วมีแต่ความสุขล้วนๆเลยคราวนี้มีความสุขมีความสงบล้วนๆเลย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 มันหมดภาระทุกวันนี้เรามีภาระมากเลยเพราะว่าเรารักกายรักใจสังเกตดูแค่รักกายเราก็เหนื่อยแทบตายแล้วนะตั้งแต่หัวถึงเท้าเนี่ยปรนนิบัติมันเท่าไหร่วันหนึ่งเห็นดูซิมีผลิตพันอะไรที่เกี่ยวกับเส้นผมบ้างมีผลิตพันอะไรเกี่ยวกับหนังศีรษะบ้างเห็นเกี่ยวกับตาเกี่ยวกับขนคิ้วขนตาเห็นมมีผลิตภันเยอะแยะตั้งแต่หัวถึงเท้าดูซิจนถึงครีมส้นเท้าแตก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 เริ่มปฏิบัติแนวของหลวงพ่อมาระยะหนึ่งแล้วค่ะไม่แน่ใจว่าทำถูกต้องหรือเปล่าเพราะว่ารู้สึกสติไม่ค่อยเกิด น, นะคะใจมันทื่อๆรู้สึกไหมตอนนี้<ะ>ใจมันยังทื่อๆนิ่งๆอยู่ยังขมไว้นะขณะนี้รู้สึกเปล่าหรือรู้สึกว่ารู้ตัวแล้วตอนนี้พอหลวงพ่อทักก็เริ่มรู้ตัวค่ะ <c oughs> รู้แล้วใช่ไหมไปกดไว้ค่ะ เ, <อ>เป็นเป็นอย่างนี้บ่อยอะคะ่ะเอออย่าไปกดมัน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 หลังจากนั้นเรากลัวจะเผลอครั้งใหม่เราก็เลยไปกดเอาไว้แล้วทำยังไงถึงจะหายขมนะคะอย่า ก, กลัวเผลออย่า ก, กลัวเผลอเออเผลอบ่อยๆ <c oughs> งงไหม <c oughs> เนี่ยงงแล้วทาไมไม่ดูว่างงเห็นไหมเอองงก็รู้ว่างงสิหลวงพ่อไม่ได้พูดเล่นๆ เ, เลยนะสิ่งที่พูดที่พูดแบบซื่อๆเลยนะพูดถึงสภาวะลว้นลวนๆเลยเผลอบ่อยๆ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 มากกับโยะวะมาจากัใครครั้งนี้มามาคนเดียวค่ะมาคนเดียวเหรออยู่ที่ไหนเอามากับห้องสมุดธรรมะค่ะห้องสมุดบ้านอารีา อ, อ๋องั้นไปเรียนกับอาจารย์สุรวัตรกันไปอ <c oughs> าจารย์สุรวัตรน่าเก่งนะ <c oughs> ใจมันยังเรายังกวดอยู่เราไม่ได้รู้แต่เรายังข่มไว้ตัวรู้<ถ>ตัวรู้ยังไม่เกิดเออ